การปั่นทำนี่ก็ให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติซึ่งพวกเราไม่หม้อใจอันเดียวกันมาที่นี่ ก็ค <c oughs> ือมาปฏิบัติวมาใช่มาหลบรลี่มาอยู่ป่าเพื่องโง่ไม่สามารถอยู่กับสังคมได้เตี้ยขี้เกียดที่ค้าไม่ใช่อย่างนั้นพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นหัวใจเดียวกันแล้วก็ เชื่อว่ามีพลัตธรไตรเป็นที่พึ่งอกระเสงเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเมื่ออาศัยสิระได้แล้วจะพ้นจากทุกท้องพวงได้ใครๆก็ว่าอย่างนี้เป็นเราสร้างวัดสร้างวาบวชลูกบวดหลานทำบุญให้ทาน ลงทูนลงแรงมากเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ต, ตัวเราให้คนจากทุกท้องถวงแต่นี่ก็เป็นศูนย์ลวมของชีวิตของเราคนไทยทั้งชาติพระรัตนตายอยู่นี่พระรัตนตยนี่อยู่ที่ไหน หมายถการว่าเราเป็นอันหนึ่งวรระไต่ระเบิดอันหนึ่งอยู่นอกตัวลปาไปอาศัยสิ่งที่นอกตัวไปอย่างนั้นก็มีบางทีก็ยังมีความทุกข์อยู่ในความโกรธทุกหลงโถมเป็นการอวดพน มันก็ไปอาศัยอันดื่นพึ่งพาอาศัยกันเดิมเราะรัตตัยนเรามีกายม่จัจเข้าถึงรัตตัยให้กายให้ใจเข้าถึงไม่ใช่ถือ เวลาเถือมันมีเวลาว่างเอาให้ถึงถึงพระตาตายในการไม่ใจในการศึกษาการศึกษาก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดศีนเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ ต้องมีวิตี ท, ทีจะปฏิบัติลงไปที่ก า, ายใจการรักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยจริงจะชืะ่อว่าศีลก็จะอยู่ที่อื่นเพราะว่าศีลสิกานี่เป็นพะตาตาัะใจที่เป็นคุณธรรมเป็นคุณค่าที่สร้างขึ้นเกิดขึ้นในการในใจเรานี่ ยังมีวิธีปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือวิชากรรมฐานมีสติประัญกาอยู่เป็นประจำวิธีปฏิบัติเกิดพระตาตายเข้าถึงพระตาตายในวิธีปฏิบัติมีความเพียร มีฉันทะวิิยามีกิตตวิมังสาอย่างที่เราสาธยาพยพศนี้นี่สิ่งที่ทำให้ได้เกิดความสำเร็จเรียกว่าสมมาวาญโมส่วนข้อหนึ่งที่มีอยู่ในกายในใจเรานี่ ่ต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นเมื่อมีความเชื่อต้องมีการกระทำลงไปศรัทธาเด็คือเชื่อเรามีการกระทำใสใจใส่ใจมีความเพียรศรัทธาคือใส่ใจคือเชื่อ วิญญาตอความภาคเชยนลงไปวามความดีตามแบบของวิชากรรมาฐานมีสติปัญญากายอยู่เป็นประจำต่อไปอีกมีกจิตต่อเอาใจใส่อยู่เสมออย่าทิ้งที้งกว้างว่างดูที่กาที่ใจเรานี่ กายก็อยู่นี่ใจก็อยู่นี่สติก็อยู่นี่โดยเฉพาะวิชากรรมฐานืนวิชาที่สมบูรณ์แบบชนศึกษาที่สูงสุดเท่าสมบูรณ์เมื่อมีสติป็นัยกายก็เห็นความคิด ตามแบบกรรมฐานมีสติดูกายเพื่อนไหวเห็นใจคิดนึกต่อรู้จักตัวเท่าเดียวกันทั้งกายทั้งใจสัน ท, ทัปปิยะกิตตะเมื่อวันคิดวันนึกเราก็รู้จักผิดรู้จักถูกต้องผัดดูที่ว่ามีบงังสากันกองดูเลย วิจัยดูได้หกเขีชช้ยวดูสองพันได้เอ า, าการไต่อเอาใจไปต่อเอาสองพันความีิดความถูกรู้จักเตือกนองเป็นอาโกชนก่อละเพื่อละอาศกที่ยังเพื่อไม่ให้อาศกที่ยังไมนเป็นไม่เกิดให้ไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อยังกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในข้าวเดียวกันเวลาล้วปฏิบัติธรรมลาราตายมาอยู่ที่กายที่ใจเราแล้วได้สมบัติแบบมันพึ่งได้ินความรู้จักตัวได้ดูเลกายได้ดูแลยจิตใจนี่เรีย <c oughs> <c oughs> ว่า กายมีที่พึ่งใจมีที่พึ่งอะไรมาก็รู้เปลี่ยนมาเป็นรู้ทั้งหมดสิ่งหนที่จรเข้ามาสุกาดสุใจในขณะที่เรามีสติอยู่นี่ได้เห็นได้เปลี่ยนได้เป็นดีมากงมื่อยกรกอง บางอย่างเปลี่ยนได้ก็เ บ, บาางลงไม่หนักมันก็มั่นคงความตั้งอยู่ควา ม, มงกงามความไปบูญความเจริ ญ, ค ว, รญความเต็มโลกเมื่อทำอยู่ก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆวิชากรรมฐานมวิชาปฏิบัติธรรม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 การปฏิบัตินั้นเป็นอภิชาติดีขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลก็คำจัดศีลไม่ดีสมาธิก็คำจัดศีลไม่ดีปัญญากาจัดศีงไม่ดีไม่เหมือนลูกของคนลูกของคนเป็นแบบแมง กุศลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทั้งกายทั้งใจ ม, มันเกิดขึ้นเป็นความดีพอให้เกิดมากเกิดผลโดยการปฏิบัติแล้ก็ได้สมผัสกับสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูก ในข่าวเดียวกันมันก็ล่สิึงขึ้นมาดีให้เป็นควรดีขึ้นในข่าวเดียวกันจึงได้ว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ช่องเหมาะสมเหลือเกินกายของเราใจของเราวิธีปฏิบัติละความชั่วทำความดีแน <c oughs> ในการสะดวกวา่าทบอย่างอื่น สร้างมากสร้างผลเนี่ยไม่ได้เสียงเหมือนการการทํานาทําไร่เป็นอาชีพต้องเสี่ยงต้องลงทุนงอกเรื่องงอกเหล่าต้องชื่อนาต้องชื่อรถไถต้องชื่อยาชื่อปุ๋ยต้องลงแรง ขึ้นพาอายอย่างอื่นแรงงานอย่างอื่นดินว่าอากาศโดยข้าวแต่หน้า ม, มาในข้าวมาแล้วก็ต้องมากว่าจะได้มาเป็นชีวิตเป็นเลือดเนื้อผ่านวิธีการหลายอย่างโดยข้าวมากินได้ยินชีวิตชีวิตได้จากกินข้าวมีเลือด ม, มีเนื้อไปทําความชั่วก็มีทำความดีก็มีแต่ว่า กา <c oughs> รอาชีพหังอศึกษาแลยทานี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นศึกษาและทํเป็นเคืองเรื่องชีวิตนี่ได้ชีวิตได้มีศีลได้มีเจตมาทิได้มีปัญญามันไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นไปทางเดียว มีสติก็รักความชัว่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ไแบบนี้ <c oughs> มีอยู่แล้วในกายในใจเรานี่สะดวกชีวิตทั้งหมดเั็นการสะดวกในการทำวามดีการเวลาก็สะดวก ยิ่งมีวิธีกรรมมีพธิธีมีรูปแบบดีสอนตีสีหลกันตื่นขึ้นมามีวัดปฏิบัติจิตวัต ร, ว, ตรวิธีวัด ต, ตีลังคงมาทำวัดสาธทยาพระสูตร สูดที่เราอสไทยา่ยสัมผัสได้รู้เรื่องรู้เรารู้คมหมายแล้วก็มีวิธีทำน่องปนุมมือกราบจะดวกเพื่อให้ฝึกได้ฝึกลหลายๆอย่างทั้งวาจาทั้งกายทั้งใจประนาคาวเดียวกัน เจนมาถึงวิปปัติบาตธรรมบางทีมันก็เป็นไปเองแต่ฉันิการสุดต่อมายวัญญาได้ยินได้ฟัง <c oughs> <c oughs> ได้ยินได้ฟังมามากได้มาคิดมากรบมาเขี้ยวได้มาการกระทำ มาที่ได้ยินได้ฟังามากได้ศึกษาได้เล่าเรียนามาก mm. ก็อาจจะถึงนักถึงกฏได้ได้คบได้เชี่ยวแยกเยะดูแล้วก็ทำมาเกิดมาเกิดผลได้ได้สัมผัสตามแบบกรรมฐานก็ได้เกิดมาเกิดผลได้ การศึกษาเราเรียนก็เป็นสุดดอกไม้ปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาให้เกิดมาเกิดผลกินดอกปให้ปัญญาปัญญาเกิดจากการขบเขี้ยวก่อทาให้เกิดมาเกิดผลฟ้าร้องพัดหลมายาปัญญาโดยอชากรรมฐานไม่ต้องโดยอ่านได้คิดอะไรมาก อรผลไม่ต้องคิดก็เกิดมากเกิดผลเป็นพระองคในสาขาสุขวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนล้วนร่วนลวนรับเข้าไปเลยถึงเนื้อถึงตัวสัมผัสกับ เพิมผิดเพิมถูกเข้าไปไม่มีการเฉียงเลยใช่สมองแลือใช้วิธีการอย่างอื่นเอาของจริงว่ากันไปเลยมีสติไปดกายกายก็มีอยู่เวลามีสติเห็นกายตามกรรมฐาน ลู่แขนเข้าเยอะแขนออกอะไรต่างๆให้มันเกิดกับกายขึ้นมาให้ออกกายเป็นนิมิตเนี่ยนั่งรู้แขนเข้าเยอะแขนออกมันก็เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รู้โดยสอนนั่งกาด้วยสอนนั่งจิตใจ เมื่อถูกกายเมื่อกายถูกสอนบ่อยๆจะถูกสอนบ่อยๆต่าธรมดับต่าชาติกดธรรมชาติหน้าที่ต่ามชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงได้กายมันสอนได้ใจมันสอนได้ยิ่งกว่าสัตว์อื่นหรือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเมื่อถูกสอนเลยครับ ให้ความผิดความถูกได้แก้ในคราวเดียวกันสัมผัสในคราวเดียวกันมีสิติเป็นครูกายใจนี่เรียนจากภาวาที่รู้คือครูของกายของใจคือรู้สึกตัวนี่เป็นครูของกายของใจมันกายใจมีครูก็เกิดผลขึ้ น, นมา หรืว่าอะไรจิต ท, ที่มีครูย่อมได้ประโยชน์หลายอย่างคนอื่นสอนให้ไปได้สอเห็นของเท็จของจริงที่เกิดการสัมผัสนี่คนอื่นสอนให้ก็ได้อ่านตำรับตำลาไม่ได้คิดไม่ได้ว่ากันเข้าไปเลยสัมผัสเข้าไปเลยที่เรียกวิชากรรมฐานล้วน ที่ว่าภาว น, นาพวกเราจึงเห็นว่าเรื่องนี้มาสะดวกแล้วก็สะดวกหลอยอย่างที่ศึกษาใหเ ก, กิดมาเกิดผลมันมีพร้อมแล้วในกายนี้ใจเราดีอาว่าที่รู้ ก, ก็มีอยู่ในนี้รวมรู้จักตัว มีอยู่กับร้อยกับใจอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยประกอบจึงไม่ได้สมเด็จประโยชน์ปติมาจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบขึ้นมาจึงมีถ้าไม่ประกอบมันก็ไม่มีให้ใช้เราก็เคยให้อื่นมาครองมนแล่าตายใจของเราดีนานเท่าไหร่ อันอื่นไ่าใช่กายใช่ใจเราเท่าไหร่บางทีก็เป็นนิสรยไปเสียแล้วไปมากแล้วพเจะึ้นมาได้ก็ต้องทวนกระแสยขอทุ่มหัววนควเคยมีอะไรที่คิดอะไรไปก็คิดแต่เรื่องนันเรื่องนั่นไปวันนี้มามีความรู้จักตัวเลย มันก็ให้มันได้พบใหม่ขึ้นมาเป็นชาติใหม่ขึ้นมาเมื่อได้นินเสยได้ปัจจัยขึ้นมาก็เกิดความสะดวกไต้บทเรียนแยๆ่ๆประสบการณ์แยะๆอาจจะดีดได้ดีตื่นได้ดีหัวคนที่ไม่เคยมีอะไร แตประสบการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้น ก, กับกายกับใจเช่นองคุริมานที่เป็นโจรผู้ลายใหญ่ฆ่าคนมากมากได้สัมผัสกับความผิดความถูกที่เกิดกับกายกับใจเรานั้นมันกระโดดใจดีที่สุดเลยแต่บางคนไม่เคยเป็นอย่างนั้น เรียบง่ายมาก็าอยู่สบายสบายไม่เคยเหทุกที่ไหนไม่เคยมีทุกแมบางทีบางคนก็พูดหองเราได้ถ้าว่าไม่มีไม่เคยได้ยินในบ้านนี้จริงที่ไม่มีไม่เคยได้ยินอะไรก็มีอะไรก็มีก็เลไรเป็นคนสะดวกใน ในความสุขสุขแบบวาศัยอมิดถึงข่าวที่เจ็บป่วยตายไปก็ไม่มีทางที่จะเห็นได้รู้ได้เมื่อแต่ด้านไปเลยแบบนั้นเลยดูยดยดยทุกข์ดูทุกข์แตบาง มันอาจจะง่ายดีกว่าคนที่มีแต่ความสุขเช่นสมบัติเนี่ยได้บรรลุ ธ, ธรรมยากละเกินต้องนานกว่ามนุษย์ที่เกิดมาได้สัมผัสกับความสุขความทุกข์ได้บรรลุ ธ, ธรรมง่ายกว่าได้สอนตัวเองได้เห็นตัวเองมันเกิดขึ้นเลมาได้ทเรีนเยอะแยะ เป็นการสนุกเป็นตัวเราก็เห็นคนอื่น <c oughs> มเห็นคนอื่นก็เมื่อเห็นตัวเราเมื่อเห็นคนอืน่นก็เกิดการงานขึ้นมาก็ยานขันแขงกระตือรือร้นเพื่อนเวลาเรากินข้าวเย็ยมเราคิดถึงคนที่ยังหิว บางทีเรามีครอบบัวไม่จริงเขับเอ็มคิดถึงวัวถึงขวายที่อยู่ในครอบคิดึงหมูถึงหมถงหาถึงเป็ดถึงไก่ที่ยังไม่ได้กินหมาส่างเยืนอยู่รอที่บันไดบางทีพ่อแม่ต้องสอนเราให้หมาอ้ออาหารเป็นเลี่ยงหมูอาคไปออกไปเลี่ยงบางทีก็แม่บอกสอน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 ได้เปลี่ยนไล่เป็นดีทุกแง่ทุกมุมมันก็เกิดการงานขึ้นมาหลายหลายอย่างก็ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมรี่ว่าภาวนาเนี่ยมันเป็นสุดยอดของการศึกษาสูงสุดชั้นอุดมสูงสุดแล้วเราก็จะดวกที่สุดแล้วมีกายมีใจมีวิชากรรมฐาน มีผู้พูดมีผู้ฟังมีผูม้มีพากันกระทำอยู่ก็สะดวกเดายได้เห็นของเทศขอ ง, งจริงจริงเมื่อเรามีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเห็นกายอยูเป็นประจอมถึง ท, ที่มันเกิดจะตายฟ า, างพอใจไม่พอใจถอ น, นอกมาคือไมีสติ กายในกายกายธรรมดาพัดใจเป็นลูกเป็นนามกายี้นนกายอีกไม่เป็นนามมาลูก <c oughs> ลูกนามมีธรรมชาติมหาพุตารูปในดินน้ำลมไฟส่ว น, ใ น, ในกายนี้กายที่มันเกิดขึ้นมาเรื่างนามมาลูกเกิดจากกาจตันดาเป็นพวกเป็นชาติเ ป, ปเป็นทุกย์เป็นรูป เป็นกิลตันหาในก า, กายในกายทำชั่วทำดีมีสุขมีทุกข์ได้ก็เลยว่ามีขันธ์ก็มีขันธ์สีขันธ์นับตั้งแต่เวทนาไปลูกไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ยิ่งใหญ่เป็นพวกเป็นชาติอันหนึ่งแต่ลูกก็เป็นนามาลูก ที่สมบัติเจ็บปวดได้เวทนาในเวทนาอันร้อนอันหนาวอันหิวยืนเดินนั่งนอนเป็นเวทนาตามธรรมชาติหายใจเข้าหายใจออกลุออกเคลื่อนไหวไปมานั่งนิ่งอยู่นานไม่ได้ยืนนานไม่ได้นวนนานไม่ได้นั่งนานไม่ได้เพราะมันมีเวทนาอริบทเป็นการบัง เวทนาว่าไม่มีคนเห็นแต่เรามีสติจะเห็นเวทนาที่มันมีอยู่ในเวทนาอีกหลายหลยอยยองเวทนาในเวทนาเป็นตัวเป็นตนมีในเวทนานั่นในกายก็เป็นตัวเป็นตน ที่มันเกิดเจือกกายซ่อนไปอีกในสุขในทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนในความคิดในจิตก็เป็นตัวเป็นตนในธรรมก็เป็นตัวเป็นตนมากขั้วที่มันเป็นธรรมชาติมันกห้ไปมันกายพันไปกายหรือท่นนายจิตธรรมมันพาไปกายก็ไม่รู้ ว่าเรามีสติเราเห็นเนี่ยเราเห็นของเธอของจริงได้ตื่นสงสารเคยเห็นทุกของสารกายสงสารใจไม่เคยช่วยกายช่วยใจนานหลายปีจนมารู้จักได้ช่วยสงสารเอาคืนไม่ได้เราผิดพลาดไปแล้วทำกับตัวเองแล้วอย่างก่อนทำห้คนอื่นจึงอื่น บังคับหัวบังครับหัวดูด่ า, ดดาน้องพี่โกรธเครื่องอะไรต่างๆโอ้ยเสียใจยเสียใจความไม่เห็นตัวเองตามก็เป็นจริงได้ก็ตื่นรือโดอนผลส่งตัวเองให้พ้นจากสิ่งต่างๆ มือนบนบทเรียนที่มีค่าเจ็บปวดบ้กที่มันผิดพลาดมาไม่ใครช่วยก้าวช่วยใจแม่ไม่จะทําชั่วได้อย่างไงเมื่อไม่เห็นอย่างนี้คิดชั่วได้อย่างไรแล้วก็เห็นความดีขนาดนี้แล้วเห็นทองโอ้ยอาศัยธรรมมีสติอาศัยกุลธรรมอาสัยความเป็นพุระเจ้าเป็นพระรสงฆ์ นีพ่พลัตัดไตรอยเปอร์นอยู่ในกาในใจนี้ละความชั่วทำความนี้ได้ประโยชน์จากกาจากใจนี่เมื่อห้นิ้วเฉือนนิ้วไปทำความดีมีบาจารีพูดออกมาเป็นความดีบอกความผิดความทุกแต่ก่อนอาจจะบอกความไม่ถูกความผิดไม่เกินนี่เดีพูดพากันหลงสอนกันหลง แต่นี่มันคูดไม่เปินแต่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นจะนานเท่าไหร่พวกเราจะไม่รู้จักช่วยกายช่วยใจปล่อยกายปล่อยใจทิแล้วก็เสียข้าวเสียน้ําไปแล้วเสียเวลาไปแล้วเสียแหลงที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาหลายหลยอย่างที่เรามีชีวิตอยู่นี่ ให้พากันศึกษาปฏิบัติทำกรรมาฐานนี่มันลัดจริงๆลัดจริงๆรัดนิ้วมือกินง่ายๆเหมืนอนหลงไปเรียนเพืว่าไม่ต้องเอ้อไรมากมายจะกินอะไรก็ไม่ต้องเอ้บ้างหน่ยกีแล้วมาชินเลยจับมาจีจะมาชินเลยให้มันอิม่มเลอิ่มเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอ้อะไรามากมายทำที่เป็นควา ม, มงา่ายๆมีอยู่ เรียกว่าทัวปฏิบัติหนึ่งปาฏิคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนร้ายเป็น ด, นดีให้ความดีเกิดขึ้นมากมายไม่ต้องดีหรออ้างโน่นอ้าง น, น, างนี่มันเกิดขึ้นดีกว่าที่ใจเรานี้เปลี่ยนได้ทุกเวลานาที่เปลี่ยนได้ทุกรูปแบบอ๋อทางไหนก็เปลี่ยนได้แต่หล่อจึงให้มีโอกาสตันนี้ ไม่ได้ทำงานําการมาได้อะไรทั้ง้นให้มีหน้าที่มีชีวิตแบบนี้กันช่่ยกันเก็นสิ่งแวดล้อมต่อกันละกันเรื่องบ่าสาย ก, การุ่อุ่ใจอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยการช่วด้วยกันเราก็ต้ตองคอยอยู่เวลาลวันนีงกับพระพรมกัน